แอนโดเครสผู้ช่วยด้วยใจเมตตาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยที่กรุงโรมยังรุ่งโรจน์มีทาสผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงโรมนามว่าแอนโดเครสแม้จะอยู่ในฐานะของทาสผู้ต่ำต้อยและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแต่แอนโดเครสก็เป็นผู้มีใจเมตายิ่งกว่าคนมั่งมี อย่างไรก็ตามนายทาที่ซื้อแอนโดเครสมานั้นเป็นคนใจร้ายและโหดเหี้ยมเขาใช้ให้แอนโดเครสทางานหนักทั้งวันทั้งคืนและโบยตีแอนโดเครสด้วยแส้แม้ทำความผิดเพียงเล็กน้อยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วความผิดของแอนโดเครสก็คือการทำให้นายของตนรู้สึกขัดหูขัดตาโดยไม่มีสาเหตุเท่านั้น เมื่อถูกทำร้ายร่างกายและข่มเหงจิตใจมากขึ้นแอนโดเครสจึงตัดสินใจหลบหนีออกจากปร า, าสาทของนายในเย็นวันหนึ่งทาดหนุ่มหนีเข้าไปในป่าแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งตลอดทั้งคืนและเผลอหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นแอนโดเครสต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคำรามดังมาจากปากถ้ำและเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาทุกทีทุกที สักพักสิงโตตัวหนึ่งก็เดินกระโเผกกระเพกเข้ามาด้วยท่าทางและสีหน้าที่บ่งบอกว่ากาลังเจ็บปวดเป็นกำลังสิงโตตัวนั้นเห็นแอนโดเครสแล้วแว่ามันไม่ได้รู้สึกยินดียินร้ายอะไรกับเขาเลยเพราะตอนนี้มันกำลังทุกข์ทรมานด้วยบาดแผลที่เท้าของมันซึ่งบวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดมันส่งเสียงครวญครางอย่างเจ็บปวดก่อนจะล้มตัวลงนอนตรงมุมหนึ่งของถ้า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 จากนั้นจึงค่อยๆสำรวจบาดแผลที่เท้าของมันแอนโดเครสเจอต้นตอของปัญหาแล้วมีหนามใหญ่อันหนึ่งตำลึกเข้าไปในเท้าของสิงโตจนเกิดเป็นบาดแผลใหญ่และเริ่มอักเสบแอนโดเครสเห็นดังนั้นก็ค่อยๆดึงหนามออกแล้วทำแผลให้มันโดยใช้สมุนไพรง่ายๆที่พอจะหาได้ในบริเวณนั้น3วันต่อมาแผลที่เท้าของสิงโตก็หายสนิท และถึงเวลาที่มันต้องกลับไปยังถิ่นพมนักที่แท้จริงของมันก่อนจากกันเจ้าสิงโตได้เดินเข้าไปเลียมือของแอนโดเครสอย่างรักใคร่แอนโดเครสจึงพูดกับมันว่าไปเถิดเพื่อนเอ๋ยมีบ้านของเจ้ารอเจ้าอยู่ที่ไหนสักแห่งใช่ไหมเหล่ารักษาตัวด้วยละ่ะหากข้าไม่ตายซะก่อนเราคงได้เจอกันอีกแล้วเจ้าสิงโต ก็เดินออกจากถ้ำไปด้วยความอาลัยแม้สิงโตจะไปแล้วแต่แอนโดเครสยังซ่อนตัวอยู่ในถ้ำต่ออีกหลายวันเพราะยังไม่วางใจในการตามล่าของนายตนจนกระทั่งแอนโดเครสคิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเขาจึงออกจากถ้ำแล้วเดินทางหนีต่อไปอยังอีกเมืองหนึ่งแต่โชคไม่เข้าข้างคนดีมีเมตตาอย่างแอนโดเครสเมื่อปรากฏว่านายท่าใจอำมหิตของเขา ก็ได้เดินทางมาที่เมืองแห่งนี้ด้วยและพบแอนโดเครสเข้าอย่างบังเอิญจับเจ้าท่าทรยศนั่นมันแอบหนีออกจากปราสาทของข้านายท่าของแอนโดเครสตะโกนลั่นและทุกคนก็ช่วยกันจับตัวแอนโดเครสไว้คิดว่าจะหนีข้าพ้นรอเจ้าท่าผู้ต่ำต้อยนายท่าพูดอย่างกระโชกโคงห่กพร้อมกับตบหน้าแอนโดเครสอย่างแรง หากนายไม่ทำร้ายข้าอย่างเที่ยมโหดเกินไปมีหรือที่ข้าจะหนีนายไปแอนโดเครกัดฟันโต้อตอบจะมากไปแล้วข้าซื้อเจ้ามาเป็นทาสเจ้าก็ต้องเป็นทาสรองมือรองเท้าข้าจะให้ข้าเลี้ยงเจ้าเยี่ยงมิสหายหรือไงจนหน้าโง่ข้าไม่หวังเช่นนั้นดอกนายข้ารู้ตัวเองดีว่าฐานะต่ำต้อยและยอมรับในฐานะความเป็นทาสของตนเองเสมอแต่ข้าก็เป็นมนุษย์เช่นท่าน มีเลือดเนื้อมีจิตใจมีความรู้สึกข้าเพียงแต่ต้องการให้ท่านปฏิบัติกับข้าเสมือนข้าเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับท่านเท่านั้นอนโดเครสพูดอย่างกล้าหาญซึ่งทำให้นายของเขารู้สึ ก, กโกรธจนหน้าชาดีแล้วเจ้าคี้ค่าถ้าเจ้าคิดได้ถึงขนาดนั้นข้าก็จะพาเจ้าไปพบกับความอำมหิตโหดเหี้ยมยิ่งกว่าที่เจ้าเคยได้รับจากข้า ว่าแล้วนายธาตก็จับตัวเขาส่งเข้าคุกหลวงของกรุงโลงซึ่งในสมัยนั้นได้มีการบัญญัติโทษสำหรับธาตที่หลบหนีนายธาตอย่างรุนแรงกล่าวคือธาตที่หลบหนีนายของตนจะต้องถูกจับโยนเข้าไปในสนามประลองที่มีสิงโตโดยมีมีดสั้นด้ามเดียวเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้และรอบๆสนามประลองนั้น จะมีชาวเมืองซื้อตั๋วเข้ามาชมการประลองอันแสนอำมหิตระหว่างคนกับสิงโตอย่างสนุกสนานรวมถึงพระราชาและพระราชินีแห่งโรมก็จะเสด็จออกมาทอดพระเนตรการประลองครั้งนี้ด้วยซึ่งที่แล้วแล้วมาการประลองจะสิ้นสุดลงเมื่อคนถูกสิงโตฆ่าตายและตกเป็นอาหารอันโอชะของสิงโตเสมอทุกอย่างเป็นไปตามกฎ แอนโดเครสถูกนําตัวมายังสนามประลองและมีมีดสั้นเล่มเดียวในมือสักครู่หนึ่งประตูไปสิงโตก็เปิดออกสิงโตหิ้วโซตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากประตูบานนั้นและคำรามด้วยความโกรธมันมองไปทางแอนโดเครสแล้ววิ่งตรงไปหาเขาทันทีฝูงชนพากันส่งเสียงโห่ร้องอย่างป่าเถื่อนพร้อมกับรอดูผ้าแผงความอัศมิหิตที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยความตื่นเต้น แอนโดเครสไม่ชอบทำลายชีวิตใครแต่ในนาทีนี้เขาตกใจมากสัญชาตญาณบอกให้เขาสู้เพื่อการมีชีวิตอยู่ดังนั้นแอนโดเครสจึงเงื้อมีดในมือขึ้นเพื่อป้องกันตนเองจากสิงโตที่หิวโซและแสนดุร้ายตัวนี้แต่แล้วในขณะที่แอนโดเครสกำลังเงื้อมีดขึ้นจู่ๆสิงโตตัวนั้นก็หยุดชะงักการมุ่งมากทำร้ายและไม่ส่งเสียงคำรามอันน่าหวาดหวั่นอีก มันเอียงคอมองแอนโดเครสอยู่คู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเดินมาหาอย่างช้าๆแล้วเข้ามาเลียมือเลียเท้าของแอนโดเครสอย่างรักใคร่แอนโดเครสจึงจำสิง่งโต้สิง่งโตตัวที่เขาเคยช่วยไว้ในถ้าได้และเข้าไปโอบกอดรอบคอมันด้วยความปิติผู้ชมทั้งหมดในที่นั้นจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความตกตะลึงพวกเขาคิดว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น จึงพากันปรบมือดังสนั่นทั้งสนามประลองพร้อมทั้งส่งเสียงตะโกนด้วยความยินดีพระราชาแห่งโรมทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็รับสั่งให้นำตัวแอนโดเครสมาเข้าเฝ้าเพื่อตรัสถามความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวอันน่าประหลาดนี้เจ้าเป็นใครกันแน่ใยสิงโตที่แสนดุร้ายตัวนั้นจึงไม่ฆ่าเจ้าแต่กลับทาเสมือนว่าเจ้าเป็นมิตรกับมัน พระราชาตัดถามแอนโดเครสทันทีเมื่อเขามาถึงกราบทูลฝ่าพระบาทกระหม่อมเป็นเพียงข้าทาสพู้ต้อยต่ำธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นและที่สิงโตตัวนั้นไม่สังหารกระหม่อมก็เพราะเราทั้งสองมีไมตรีต่อกันแอนโดเครสตอบไมตตีนั้นเกิดขึ้นด้วยสาเหตุใดเล่าไม่ตีระหว่างกระหม่อมกับสิงโตตัวนี้ เกิดขึ้นเมื่อกระหม่อมหลบหนีนายทาตผู้ชอบกระทำทารุณกับกระหม่อมเข้าไปอยู่ในถ้าและเห็นมันกำลังเจ็บปวดทรมานเพราะมีหนำำามตําเท้ากระหม่อมจึงช่วยเอาหนามออกและหายามารักษาให้จนเท้าของมันหายดีเป็นปกติจากนั้นเราทั้งสองจึงแยกกันพัค่ะแอนโดเครสตอบคำตอบของเขาทำให้พระราชาพระราชินีและข้าราชบริพารในบริเวณนั้น ส่งเสียงอุทานพร้อมกันด้วยความทึ่งในความกล้าหาญเกินมนุษย์ของเขาแล้วเจ้าไม่กลัวหรือสิงโตตัวนั้นกำลังบาดเจ็บมันอาจหงุดหงิดจนขย่ำเจ้าก็ได้ไม่เลยฟาบาดในเวลานั้นกระหม่อมได้รับการทำร้ายจากนายมาเป็นเวลานานจนแทบจะไม่เข้าใจคำว่าการมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเมื่อกระหม่อมเห็นสิงโตกาลังทุกข์ทรมาน กระหม่อมจึงรู้สึกสงสารมันมากและคิดว่าจะยอมตายโดยได้ช่วยเหลือสิงโตดีกว่ากลับไปเป็นทาสของนายผู้เหี้ยมโหดที่ทำราวกับว่ากระหม่อมไม่ได้มีค่าพอที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ตลอดชีวิตพะยะคา่ะพระราชาแห่งโรงรู้สึกพอพระทัยในคำตอบของแอนโดเครสมากจึงทรงลุกขึ้นนั่งรับสั่งประกาศต่อฝูงชนในที่นั้นว่า เราขอประกาศให้ทุกคนรู้นับจากนี้หนุ่มน้อยแอนโดเครสจะไม่เป็นทาสอีกต่อไปข้าขอสั่งให้นายแอนโดเครสปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระแอนโดเครสจะเป็นไทยแก่ตนนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิ้นเสียงรับสั่งชาวเมืองทุกคนในที่นั้นก็พากันโห่ร้องแสดงความยินดีให้แก่แอนโดเครส ชายหนุ่มผู้หานช่วยสิงโตดุร้ายด้วยใจเมตตาเธอทั้งหลายการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเมตตานั้นเป็นเรื่องดีมากเชื่อว่าเธอหลายคนก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่แล้วใช่ไหมแต่อยากให้เธอลองทำสิ่งที่ยากกว่านั้นอีกสักหน่อยนั่นคือมอบโอกาสช่วยเหลือเจือจุนคนที่เธอคิดว่าเขาเป็นคนร้ายกาจอย่างที่สุด นี่คือการทำความดีที่ยากขึ้นอีกหนึ่งขั้นและไม่ใครมีใครทำนักดังนั้นถ้าเธอทำได้เธอก็เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐอย่างที่สุดแล้วเธอเอ๋ยคนร้ายกาดนั้นอาจมีเหตุผลลึกๆบางประการที่ทำให้เขาต้องแสดงความร้ายกาดออกมาซึ่งเราเองก็ยากที่จะเข้าใจ แต่มีคนร้ายกาจหลายคนทีเดียวที่ต้องร้ายกาจเพราะเขาไม่เคยได้รู้จักกับความรักและความเมตตาดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าควรจะทำดีกับผู้อื่นอย่างไรเพราะไม่เคยมีใครทำดีกับเขามาก่อนดูอย่างเรื่องของแอนโดเครและสิงโตตัวนี้อย่างไรเล่าเธอคิดว่าถ้าคนทั่ ว, วไปเดินไปเจอสิงโตนอนเจ็บปวดอยู่ในป่าเขาจะทาอย่างไร หลายคนคงรีบวิ่งหนีเพราะกลัวว่าสิงโตจะทําร้ายทั้งๆ ท, ที่มันกําลังเจ็บทรมานแต่บางคนอาจช่วยโอกาสตอนที่มันกําลังอ่อนแอนี้สังหารมันเพื่อความปลอดภัยของตนเองด้วยซ้ําจะมีสักกี่คนที่กล้าเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยสิงโตเพราะมีความเมตตาสงสารเกิดขึ้นมากกว่าความหวาดกลัวอย่างแอนโดเคด้วยเหตุนี้เมื่อแอนโดเคดมีบุญคุณต่อสิงโต สิงโตจึงตอบแทนบุญคุณแอนโดลเครสโดยไม่เพียงแต่ไม่ฆ่าเขาในสนามประลองเท่านั้นหากแต่ยังปลดปล่อยเขาไปสู่อิสรภาพให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสอีกด้วยอย่าช่วยคนเพราะหวังผลเลยเธอแม้แต่การช่วยคนร้ายกาจก็อย่าได้คาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นคนดีเพราะน้ำใจที่เธอหยิบยื่นให้แกเขาจงช่วยคนเพราะนั่นทำให้เธอสบายใจก็พอ แต่เมื่อไรก็ตามที่เธอช่วยคนไร้าการแล้วเขาทำในสิ่งที่เธอคาดไม่ถึงนั่นคือการทำดีอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อตอบแทนน้ำใจของเธอเธอก็จงดีใจเถิดว่าเธอได้หยิบยื่นตะเกียงสองทางแห่งความดีให้แก่เขาแล้ว <S <S <S เขาอาจจะรับมันมาเพียงเพื่อการดูเล่นแล้วก็คว้างทิ้งไปหรืออาจจะนำมาสองทางเดินของตอนเองไปตลอดชีวิตนั่นก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเป็นอย่างหลังเธอไม่ดีใจหรือ ท, ที่เธอเป็นแรงบันดาลใจให้คนร้ายกาจคนหนึ่งกลับตัวเป็นคนดีได้เธอไม่ดีใจหรือที่ความเมตตาของเธอทำให้โลกของเรามีคนดีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเธอไม่ดีใจหรือขอความรักของเธอ